เห็นได้ฟังเอาไว้ด้วยจากทิศทางคนเดินบอกเราเห็นจริงที่ผู้อื่นบอกเราเป็นผู้เห็นคนผู้ที่บอกก็ เ, เห็นเช่นกันใน ว, วันทางอย่างพระพุทธเจ้าสอนบวกเรามีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้กําหนดรูอย่างนี้ ถาลูกมาไม่เที่ยงลูกคือกายเนี่ยเป็นมหาภูตรลูกลูกวันที่สองคืออุปทานยืดในเสียงก็เป็นลูกในรสก็เป็นลูกในกลิ่นก็เป็นลูกอารมณ์ก็เป็นลูกแต่เป็นมหาภูติลูกจะเป็นอุปทายลูกก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นลูกไวว ลูกไม่เที่ยงลูกไม่ใช่ตัวตนเป็นอย่างนั้นจิ่งใดไม่เที่ยงสิงใดไม่ใช่ตัวตนจิงนั้นเป็นทุกข์สิงใดเป็นทุกข์ไม่ควรยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราให้ลู่เอาไว้จะเจอจะเห็นเอาวันหนึ่งในวันใดวันหนึ่งชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่งก็ได้ได้เราเจอเราเห็นเราเราก็ รู ล, ลงหน้ามาโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่เที่ยงอย่าไปยธ์เอาว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นทีใดก็ืี้หน้าลงไปว่านี้คือความไม่เที่ยงนี่ความไม่ใช่ตัวตนจินไดไม่เที่ยงสินั้นเป็นทุกจินไดเป็นทุกยิ่งไม่ใช่ตัวตนขี้หน้าลงไปให้เห็นคนเดิมบอกเราเป็นผู้เห็น นี่คือการศึกษาคือถลุงลู่แล้วลู่ล่องหน้าแม่แต่มรรคผลไม่ผ่านก็ลู่ล่วงหน้านาโลกก็ลู่ล่องหน้าสวรรค์ก็ลู่ล่องหน้าได้อะไรที่เป็นความทุกข์อะไรที่เป็นความร้อนนั่นเลยว่าน่าละกะนาโลกมาในลูกมาในเสียงมาในกลิ่นมาในรสมาในอารมณ์ อะไรที่มันทําให้ร้อนทํำให้ทุกข์ตัน้นเรีวยกว่านระกจะเว้นได้แล้วปองไม่ตกนระกได้ด้วยแล้วอะไรที่เป็นทําให้เหเกิดทุกข์รูปแม่กิดตั้งเหตุมานเกิดหลงนี่รูปล่ลงหน้าสวรรค์คืออารมณ์อสวรรค์คือความชอบความดีความสุข ไม้อารมณ์อายตนะทั้งหกตาหูจมูกเล่นกายใจตาก็เห็นลกที่บัญญัติว่าชอบหูก็ได้ยินเสียงที่บัญญัติว่าชอบพอใจจมูกเล่นกายใจนั่นให้รูจ้จักดวงหน้านี่แค่เป็นสุขอารมณ์ที่ชอบเป็นสุขด้วยก็ได้อย่าหลง เมื่หลงทุกข์แล้วก็หลงสุขด้วยมาหลงสุขก็หลงทุกข์ด้วยนี่มันตกอยู่ในความไม่เที่ยงเช่นการตอนนี้ผ่านก็เย็นเวลามันร้อนเย็นลงมันมีอยู่ความร้อนความเย็นในโลกนี้ไม่แต่ความร้อนถ้าไม่ร้อนก็เย็นเท่านั้นเอง ก็ไม่เย็นมันก็ร้อนมีเท่านี้ในโลกนี้อะไรก็เป็นคู่ในความไม่เที่ยงอะไรพัตถุสิ่งของต่างๆในโลกนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตั้งนั้นรู้ลวงหน้าได้ด้เป็นเครื่องมือรู้ลวงหน้าความไม่เที่ยงเมื่อเกิดความไม่เที่ยง ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นใจเราเรารู้มาก่อนนี้คือความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เรากลักอะไรที่นึก ว, ว่าของเราแต่ของที่เราลักจะเป็นวัตถุ ก, ก็ดีเป็นคนก็ดีเป็นลูกก็ดีเป็นนามก็ดนะีเมื่อมันตกอยู่ในความไม่เที่ยงแม้จะเป็นวัตถุถึงของมันก็ไม่ใช่ของเรา มันมีได้เป็นได้ในพวกมไม่เที่ยงน่าก็ลู้โล่งหน้าน้น่นนะมันไม่เที่ยงพวมไม่เที่ยงไปอย่างนั้นจากเราไปแล้วรวมเป็นทุกทรวมเป็นทุกก็มีความไม่ใช่ตัวตนก็มีมาเพิ่มกันหมดบอกหมดบอกเที่ยงที่จุดเลย ในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนเปนอันเดียวกันพูดอันเดียวพอเห็นจิ่งทั้งสามนี้ก็อันเดียวกันหมดตอบไปได้หมดเลยเป็นหมู่เป็นกลุ่มไปเรียกว่าสามมลลักษณะเสมอกันหมดในความไม่เที่ยงในควา ม, มเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนนี้เหมือนกันหมดทุก ส, สรรพสิ่งในโลกนี้ ไปเป็นภูเขาต้นไม้แม่น้ำดินฝ้าอากาศเป็นโลกโอกาศโลกคือแผ่นดินแผ่นฟ้าอากาศกกาสาาาศังขารโลกคือสิ่งที่มันครอบงำในทุกอย่างอยู่เป็นการไม่เที่ยงอยู่จบอยู่ในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้น อย่าหลงถ้าหลงจะเป็นทุกข์เป็นโทษวางที่เอาชีวิตไปห้อยไปเขียนไว้กับความรักในความรักก็มไม่เที่ยงแน่ต่ไปรักอันอื่นเชิงอื่นไปห้อยไปแขีนไว้กับวัตถุเชิงอื่นผู้คนอื่นยิ่งมันไม่เที่ยงอย่าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนในความไม่เที่ยงนั้นรู้รองหน้า แต่เกี่ยวกับความไปเที่ยงให้ถูกต้องจะได้เป็นประโยชน์เอาความไปเที่ยงมาเป็นของที่การศึกษาทำประโยชน์ร่วมกันเดี๋ยวเราไม่รูปอาศัยรูปที่มันไม่เที่ยงนี่แหละมาทำความดีมาละความชั่วให้มันใช้งานเพื่อการนี้เรามีจิตใจที่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 นั่นคือศึกษาแล้วรู้แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จนเหมือนกันความแก่จนความแก่ก็เป็นทุกข์เมื่อจนความเจ็บก็เป็นทุกข์เมื่อจนโตความตายก็เป็นทุกข์จึงมีทางออกแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ซะการเกิดเจ็บตายนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ควรรีบด่วน ชีวิตของเราเนี่ยมันมีทางแบบมนุษย์เป็นจัดประเสริฐให้เห็นแช้งหาคำตอบฉเฉลยได้จากพระชิทร ธ, ธาเนี่ยพระชนมายุหนึ่งถึงสิบหกพระชนบรษาเนี่ยพูดราชาตัพูดค่อยๆถูกนะพูดภาษาบ้านเราก็ตั้งแต่อายุ หนึ่งปีถึงสิบหกปีไม่รู้เรื่องความแจ่ความเจ็บความตายจนอกประภาดตรงกับบินภาดไปเห็นเรื่องนี้เข้าอยู่ในแต่พระราชาวังหนึ่งปีที่หกปีเนี่ยมีแต่ของดีๆอะไรก็งดงามไปหมดเรื่มและยุบและย่ำไปหมดปุคคนก็มีแต่ความช่วยงา ม, ามสนมกับนานน เอาออกประาสราชะลดกุกบิรภาพาดเห็นมันเกิดคนแกคนเจ็ บ, ค น, บคนตายเห็นสมณะเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นการบ้านรีบด่วนหานะคำตอบตรงนี้ทานอื่นไม่เกี่ยวหานะคำตอบตรงนี้ให้ได้จนเห็นสมณะเห็นว่าเป็นทางหนึ่งที่จะต้อง ศึกษาเรื่องนี้ได้ถ้าเป็นกษัตริย์ของบ้านของเมืองเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสไปออกเอาเพศนักบวดเป็นอุบายแล้วก็ไม่ใช่เหตุเฉยๆํำลงไปจริงๆไปจนหมายุยี่เก้าพรรษาตั้งแต่จมกุกพรรษายี่เ้าพรรษาเนี่ยคิดเรื่องนี้กันจนรอไม่ได้แล้ว แต่องุ่นเกิดมาก็ยิ่งหนักแตกนเข้าไปลักพิมพาเรียงใหม่พอล็อกเล้าหุนอีกมันคล่องไวโผลมากไปก็เห็นตัวเองว่างลาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันพิมพาก็ต้องต้อ ง, กองแง ก, ก่ต้องเก็บต้องตายลางวุนที่เกิดใหม่ๆก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันก็เลย ลับไปชอบเรื่องนี้อโอบสิศึกษาเรื่องการเกิดเจ็บเจ็บตายเนี่ยิพงพระราชาทรัพย์สินจะเดือดคลายออกจากพระราจะหวังประสานสามฤดูเพื่อเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่ออวดทางไม่ใช่เพื่อพิธีดีตรงอะไรเพื่อศึกษาเรื่องนี้กันการศึกษาเรื่องนี้ มันก็ค่อยจะดวกซอยไก่อนนี่เจ้าระพีมีฤรือ์ีพีภายคิดถึงแต่เจ้ารทพีอาจารย์อุตตกาดาบทก็ไปเห็นเหมือนกับว่าลองดูเขาก็ทำละนี่อุตตกาตาบทอาลาดตาบทไปเรียนศึกษาอยู่กับาอาจารย์อุตตกาตาบท ตามตลราบอกว่าได้ฌานสมาธิเจ็ดไม่พอใจฌานคือการเผาเพ่งเพ่งเพ่งเผาชาปนะเพ่งเผาเพ่งเผาอะไรเรามีไปงานชาปนิกิต่เพ่งอะไรเผาอะไรชาปนกิฮิเผาอะไรชานะงานชาปนกิตในวันที่เท่านั้น คนพ่อนั่นคนแม่นั่นหลวงพ่อองค์นั่นหลวง <c oughs> ชาปนะคือเพ่งเผานะเอาก็เรียกเราชาชาปนะตอนนรมันมาจากว่าชาแต่ก่อนคือเผาดากบดอุตการาบดก็เผางมงม์ชาวสองไม่มีใครสอนเดียนรูดูจนเดงนิ่งได้กดทับไปไม่ให้มันกระดูกกระดิก ทนไว้อดไวยอะไรที่มันเกิดขึ้นมาไม่วิ่งตามมันในกิเลสตัณหาลาคะโทสะไม่วิ่งตามมันกดทับทับไน่นั่งทับไปเหมือนก้นเห็นทับชาไวปชามันก็ไม่เกิดจริงแต่ว่าความรู้สึกที่มันยังมีอยู่ยังไม่อยู่ไม่พอใจ ไปหาอุตตระาบทอาลาตราบทอีกอาจารย์ที่สองไอาอาจารย์สมบัติแปดตั้งแต่วิตกวิจาร์ปิติสุขเอกข า, าวางไปวางไปวางไปอันนี้เป็นคำพูดนะหมายถึงมันอยู่ในกิจใจของผู้หนึ่งที่ต้องฝึกฝนตนเองมีเหมือนกันแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็มีวิตก ตึงขึงตึงตุกตองคิดเนาะอาต่างๆห้องเที่ยวตกวิจารก็พิจาะในปัญญาได้สติได้เห็นความหลงควงรู้ได้เห็นความสุขความทุกข์ท่องเที่ยวไปกับวิจารได้บางทีก็ได้เห็นสิงที่เราได้ยินในขณะที่บำเพ็ญ รอ้ถึงปิติบางทีก็มีเหมือนกันม mm ีไหมปิติอิ่มใจสุขใจน้ําตาไหลซสื่อมบกมาสงสารตัวเองบ้างบางโอกาสที่ไม่ค่อยจะได้ช่วยตัวเองเวลามันหลงปล่อยตัวหลงปล่อยความหลงค้อบงำเราพอมาลู่จักตัวโอ้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้ก็มีปิติบ้างมี ขนงานบ้างทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างบันทีก็ง่ายง่าบางทีก็ยากอารมณ์เกิดขึ้นกับใจเรามีสุขบ้างมีปัญญามากจนในที่สุดไปถึงสมาบัติแปดเวทยิทธินิโรธ์นึ่งไม่ฟูอีกแล้วไม่พูอีกแล้ว แต่ที่จริงมันหลอกไปยินดีกับภาวะที่ไม่หลงตาง่อภาวะไม่มีไม่เป็นอะไรไม่ใช่ให้ไปยินดีอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไม่มีไม่เป็นไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่ใช่ไปอยู่ตรงนั้นมันเห็นความไม่เป็นอะไรอะไรเข้าไปเองถ้าไม่เป็นนะมีไม่เป็นอะไรไปอยู่ตรงนั้นเองมันก็ไม่ใช่หรือ ว, ว่าเวทยีที่โรดมันต้องมีสติ ริมก็ไปตน้นด้วยแต่ติที่ไปเสริมตนไม่ใช่สติตั้งแต่ตนนะมันเป็นความคมมันเป็นความชัดเจนอันนีเ้เพียงแต่เวียคิธินิโรดนึ่งอันนั้นสงบไปเลยบางคนบางรูกพระบางโลกเป็นหกปีเจ็ดปียืนลักษณะแบบนี้ ในว่าตัวองหมดกิเลสตัณหาเหมือนพระสมัยก่อนไปจำมัญจารในที่แยกออกไปจากกุญเจห้าลูกปล่อย ป, ปฏวัติธรรมในบ่าในเขาไม่พูดปัญจา ก, กันเลยต่างคนต่างปฏิบัติธรรมต่างคนต่างหมดกิเลสเงียบยิ้มกลับมาเข้าพุญเจ้า ผู้เจ้าวจถามปัญหาต่างๆว่าไม่พูดไม่จากันพากันอยู่ไงอยู่กันโดนตัวใครตัวมันตอนนั้นก็ก็มีป่าช้าผีดิบเขาอุศากศพผู้หญิงสวยๆมาที่งงว้เป็นป่าช้าผีดิบใหม่ๆพากันไปป่าช้าไปดูศพผู้หญิง ร่อยัำมาบากันไปดูเอาเห็นสากโสผู้หญิงสาวสดสดเกิดความปื่นขึ้นมาตัว เ, เจ้าก็ไม่ทำอะไรไโสดดูมันเป็นไงบุรุษก็ต้องมีสติสติก็ต้องมีบุรุษเกิดขู่กันเหมือนพระเจ้าว่าพลังจันโถพลังสุริโย พลังเวลาสมุตทตจัตพัลติกพัลมิติโยอาทิตย์พระจัณฑ์ฝังการเวลาฝังทะเลมีกําลังทางนั้นแต่สติที่ในคนในมรษย่อมมีกาลังยิ่งกว่าเหล่านีุ้รดก็มีกําลังของสติมากกว่าตอาทิะจันณฑ์อ่ะห้าโลกที่ว่าตัวเองบรรลุภารัน เก็บช้อยไปเลย<笑>เลยต้องไปปฏิบัติธรรมอีกต่อไปเห็นแล้วองไหก็อุย้ยเหมือนศิลาทับย้าใช่หมก่อนอ่านีอว่าฌานนะฌานแต่ฌานอันเผาศพมันไม่ไม่งอกนะก็จุยไปเลยต้องเอาไปลอยอังคารฌานแม่ท่าไม่เหนือเมฆยังไม่เมฆต้องเหนือไปพระเจ้า菩萨สิท ธ, ธาถึง หนีไปขณะที่ไปอยู่กับอาจารย์ทั้งสองก็ยังไม่คิดถึงพิมพ์พาลาหลุนคิดถึงพระราชนทรัพย์ินดึงการไม่พอใจเอาตัวเองเป็นเจนฑ์เลยทีเดียวอะไรที่มันถูกต้องยังไม่แก่ในความรักแก่ในความชังแก่ในความจบความตกยังไม่เกิดอยู่เกิดอยู่ก อะไรที่มันจะเหนือาการเกิดแก็เจ็บตายเป็นประเด็นเข้าไปเป็นโจดฟ้องตัวเองเข้าไปอันนี้ต่างๆพวกไปสามภาษาไม่ได้ศึกษาพูดตามความรู้สึกเล็กน้อยเราจะเป็นทุลีอ ย, อยู่พุทธเจ้าเพียงทุดีเล็กๆมาอยู่ในหวัวใจแล้วทุดได้ ไม่ใช่ว่าจะไปรู้ยิ่งจริงๆอะไรมากมาเยเตยออกไปอยากอาจารย์ทั้งสองอาจารย์ทั้งสองขอลองมาอยู่ด้วยเพื่อสอนคนอื่นว่าจริงแล้วเรียนเพบเดียวไม่อยู่เลยจึงจากตรงขระิลิย้อนลงมาบ้านนางสุชาดาอ่า สีมหาโผมาบำเพ็ญทางกิจมันเหลืออยู่เนี่ยอะไรก็มันเหลืออยู่เนี่ยกิจเนี่ยเอาละบบบเนี่ยใบยาขาจากโสดีะพรมงาปูนั่งโตตายแล้วว่ปตัดตึ้งใจตายเป็นตายจะไม่ลุกจะไม่หนีจากที่นี่เมื่อไม่ได้บุญธรรมท่าน ที่พอใจจะไม่ลุกไม่หนีจากเธอแม้นว่าเมื่อหนังกระดูกจะผูพังไปก่อนตามขนาดไหนตัดทิ้งใจนั่งจะไม่ลุกดูสิขนาดไหนเมื่อผูที่จัดต้องสละถึงป่านนั้นนะทิ้งใจจิ้งจังกับการกระทําของตอนเองไม่ใช่ทําเลยเลยนะ เป็นความคิดที่แน่วแน่ไม่คืนเหมือนเป็นเดินหนกจนถึงจระเสวะแสงเงินแสงทองเห็นเรื่องนี้ทุกขเพื่อนแบบตั้งแต่มีสติเห็นกายกายสัสดิ์กายง่ายๆเพราะว่าองค์ได้ผ่านมาแล้วเดีวทานาสั ก, าา ด, ส ก, ด, สกดิ์เวทนาจิตสวัสดิ์จิตธรรมสวัสดิ์ธรรมไปเรื่อยๆไป อันนี้ปเนี่ยงั้นก็เราทำอย่างไสูตรเนี่ยสูตรตัดทรูกเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะที่เราทำานะสูตรแห่งการตัดทรูกนะเห็นกายมาให้เห็นโชว์ปึ๊บขึ้นมาเจตนาโชว์ขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีจิตก็โชว์ขึ้นมาทำก็โชว์ขึ้นมาเห็นเรา จลูไปลู่ไปลูไปลู่ไปลูไปลไปล่ไปแล้วทวนกลับมาทวนกลับมาลู่ไปมันเขี้ยวเหมือนเขี้ยวเหมือนเขาทําอะไรที่มันเสร็จแล้วก็ดูอีกรอบรอบรอบรอรเหมือนช่างตัดผมแต่เมืก่อนน้องตาเคยเป็นช่างตัดผมพอตัดผมตัดเสร็จแล้วก็ดูด้านข้างด้านหลังด้านหน้าดูข้างบน รับกับไปได้แล้กับลูกของศรีจะกรกับสงของมนตกต่างตอนตอนน้นเอาบีมาบีลองดูรูปอย่างไรมันเห็นไหมช่างตัดปะ่ะอดีก็ลูบลงวันทีก็ลูบขึ้นวันี่ก็เออแต่งตัวใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็เสริมสวยฮะอะไรที่มันดีเก่าๆชอบทำไอเดี๋ยวนี้ก็ชอบทำสุดท้ายคือ จะตกแต่งเมื่อใจจะขาดแปลนั่นนะใจขาดแล้วจะตกแต่งอีกจะให้มองไม่น่าเกลียดใบหน้าเดี๋ยวนี้อันนี้คือทำให้ดีกว่าเก่าตกแต่งได้จริงๆบางคนปล่อยคนตายเนี่ยนอนท่าทางม่ค่อยดีใบหน้าม่ค่อยสวย แต่งใบหน้าขณะที่ตายแล้วมันแต่งได้นะตีกบวที่ยังเป็นๆอยู่นะเป็นๆอยู่มันมีบูดมีบึ้งได้นะเออบางทีเมื่อไหลไขย่อยออกมาอันแต่งเมื่ออนใจขาดแล้วน่ะมันอยู่นิ่งเลยนะไม่ไปให้เป็นยิ้มก็ยิ้มอยู่นะ่ะจะเอาเจับไปชั่งหน่อยเจาะไปชั่งหน่อยเอากดดอชิชูเจาะไปรีดไว้รีดไว้รีดไว้ เล็้ยมผ ป, าปตาปิตาจับไ้ดีๆสักน่อยเดียววางมันมันก็จะอยู่อันคนเป็นๆมันไม่อยู่นะบางทีมันเก่ไปอันเป็นเคนตายมันไม่ไปนะอันนี้ทำได้บอกมาเถอะนะไอ้ไ น, นี้ก็อยากดูแลคนตายคนเป็นไม่ให้เราดูแลมันวิน่งหนีจากเราไปแล้ว ประกาศทรางบัตรโกโตมาส0่สิบกว่าปีแล้วอันนี้มันไม่เหมือนใช่ไหมก่อนนะใช่ไหมก่อนเนี่ยโอ้ยหายากเยอนี้ไม่ยากนะขึ้นป้ายสถาบันสติปัฏฐานไปเลยมาเลยนีสติจูเนร้อยเปใน1เ0็นในข้าวกินข้าวมีสติจิจินข้าวได้1 0อยเปเ็นอยู่ที่นี่ มีเพื่อนไมีเมต็ตนี่พระสงฆ์ก็นั่งอยู่นี่แม่ชีก็นั่งอยู่นี่ญาติโยมก็อยู่น่ะ น, นี่ก็ทีนั่งสมัยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเป็นพุทธเจ้านะอยู่โคนไมอ้อยู่ในถ้ำดงคาชิริไยไปดูนะไปดูดงคาชิริถ้าดงคาชิริเหนือแม่น้ําในลันชลาขึ้นไปตอนนอนจาเด็กๆต้องหมอบเข้าไป นี่ไม่ต้องงอบเดินขึ้นมันไดอย่างดีเลยกติอาจารย์ต้มทําให้อย่างดีมีมุ้งรดูดล้างกติมีน้าอุ่นให้อาบมีห้องน้าให้ใช่บ้านนั่นก็ยังยังไม่เหมือนสมัยข้าพเจ้าอนะ่ะพ้าพเจ้าโอ้ยสมัยนั้นเหาะอ ะ, ะหันนี่แต่คนดังนัง อ, อกบวชแต่ไมคนดังออกบวชอุบาลี อ น, อนุนอานุททะเทวทัตห้าลูกใช่คนดังออกบวทคนไม่ดังเป็คนเดียวคืออุบาลีเป็นลูกในช่างกันบกในช่างกัดผมตัวนอนุนอนุอนททะเทวทัตเป็นคนดังไม่ดังคืออุบารีเป็นลูกในช่างกันบกในแช่กษัตริย์นางนั่นลกษัตริย์หมดละ อาการบวดก็หน้าเจ้านาคเนี่ยปรึกษากันให้ใครบวดก่อนใครบวดก่อนต้องเป็นอาวุโสะนะอนุอทัศนะว่าเอวุฒิขนก็เลยว่าอให้อุบารีบวดก่อนเราจะมีอุปทานว่าเราเป็นกษัตริย์จะถืออาวุโสไหมเขอก็เป็นน้อยให้อุบารีจ้ะปวดก่อนจะได้เป็นอาวุโสเราเป็นพันเต ให้อาวารีย์บวชก่อนเทวทัตไปทางไหนวารียเ ป, ไนไปไ็นยัง ไ, ไงอนนท์เป็นไงอนุทะเป็นไงจริงทั้งนั้นแต่เทวทัตไม่จริงนะจริงแบบอิจฉาพยาบาทจริงแข่งขันกันแข่งขันอยให้ดีกว่าพระุทธเจ้าจะแข่งพระพุทธเจ้ า, ท, จาทําทุกอย่างทําทุกอย่างเทวทัตนี่ยเป็นสังกเกตเพศไปเลย นีเหมือนกันนะดังแบบนั้นส่วนอนอนอวลวารีอนุท่ายอดเยี่ยมเอตตคะเลยอนุท่าเอตตะคะในทางฌานสมวัต อ, อ, อนอ น, อนอวลนี่เอตตะคะในทางพระหูสูตรจวารีเอตตคะในทางพระวินัยบัญญัติยอดเยี่ยมเดียรทัศ ชั sure, <laughs> ่วคิดผายไปดินสูบเลยไปดินสูบอยู่ตอนตอนใต้ของเขตร้อนแนะ้วไปดูไปขึ้นวัดของทิเบตทิเบตก็ไปสร้างวัดใส่ที่ตรงนั้นเราไปขึ้นหลังคากราะดานมองไปเหวที่เห็นดินสูบ ท, ทิเบตยังมีอยู่นะแต่ว่าเป็นรูปอยู่ เหตุันก็ยังไงที่ดินสศกเทวทัตก็ยังไงใกล้ๆอยู่ในเมืองสาวัตถีนล่นก็ลุกวันนี้ไม่ยากไม่ยากเลยที่จะมาศึกษาเรื่องในพร้อมจะเป็นเมธเป็นเพื่อนระสูตรอันเดียวกันกันกบพุทธเจ้า <c oughs> สมัยพ่องสแสวงหาโมกขธรรม มีกายมีสติอันเดียวสติที่เรายกมือยู่นี้กับสติอยู่กับพระเจ้าอันเดียวกันอันเดียวกันแท้ๆเวลามันหลงก็อันเดียวกันความหลงเดี๋ยวนี้กับความหลงอยู่กับพระเจ้าอันเดียวกันแต market market. Ä, ่พระเจ้าเปลี่ยนหลงเป็นโลเปลี่ยนอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นรู้ทั้งหมดเลยพระเจ้าเดินไปทางไหน คนละทางาหามือนกันหน้ามือกันหลังเปลี่ยนแน่เรียกว่าปฏิบัติธรรมมีจิตที่ทุกคนอันชื่อว่าคนแล้วไม่ใช่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนโฉ ค, คนแฉ่บวชหรือไม่บวชไม่เกี่ยวอันนี้เราเป็นบัญญตัติสมมติบัญญตัติมีนักบวชเพื่อความสะดวกเราบวชมาเพื่อสะดวกในการปฏิบัติธรรมแั้ก็สะดวกเริง ที่วอนก็คนหามาให้ตลาที่อยู่คนมาสร้างให้อาหารก็มีคนไปทำใหอย่าลักษาโรคมีผู้ให้โอกาสนี่คือนักบวดเมืองไทยไ ม, ม่ประเทศไหนสะดวกเท่า ก, กับเมืองไทยเราแต่จะไปเกิดอยจุเพนินไหนจะก็อยู่ที่โลกไหนนี่เมืองไทยนี่พุทธศาสนาเหมืองไทย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 ไปเป็นสามีพัญญาก็ได้อาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อโลกต่อโลกต่อหลังไม่เป็นไรต่เป็นนักัวก็ได้จะเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นเด็กเป็นเล็กก็ได้มีสมัยก่อนสังกิจจาสมเนี่ยตัวเล็กๆเป็นพราหลานอ่านราหุนก็เป็นพระหลานตั้งแต่เป็นแนรนนนี่คือ ชีวิตของคนสมัยกลางพุทธกาลกับเดี่ยวนี้อันเดียวกันมีกายมีเวญนามีจิตมีธรรมมีโรคธรรมนามธรรมมีชินสมาธิปัญญาอันเดียวกันกุศลอันเดียวกันอกุศลก่อนเดียวกันกุศลคือความดีอาศัยได้อกุศลความชั่วอาศัยไม่ได้มันยังมีอยู่นะเดี๋ยวนี้ แต่ถ้าเรามารู้เรื่องนี้เขามัจะไม่มีอกุศลมีกุศลเกิดขึ้นมาแทนแล้วก็อยู่กันรู้ความสงบร่มเยน็นกายมันทุจริทธ์ทำชั่วกายมันสุจริตทำดีนะมันก็มีที่กันวจีพุจริทธพูดเพศพูดชั่ววจีสุจริตพูดสุภาสิทมีแต่ถูกต้อง มโโืดงโทุจริตใจมีแต่คิดชั่วพยบาทปองรา่ายเขาเห็นพิจักตำหนองของธรรมมโนทุจริตใจเป็นสินเป็นธรรมไม่ตาุณาเต็มเปี่ยมมีอยู่ในคนเนะี่ยเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไงมิสติเวลามันหลงรู้งานไปยัง น, น่เรียกว่าปฏิบัติธรรม เวลามันโกรธรู้มันมีมันมีเพื่อเราเปลี่ยนเป็นดีไม่ใช่มีเพื่อมันมาร้อยอยู่ในความชั่วของเรามาพูดเท็จมาพูดคำหยาบมาเบียดเบียนกันเขียนข่ากันมาคิดเห็นไปจากตํานององธรรมมันก็อยู่ในโลกหนึ่งแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนชะเนี่ยมันจะเป็นอะไรเปลาเมื่อเป็นความสุก ต, ต่อกันไปแล้วเราก็เป็นสัตว์สังคมด้วยน่าจะทําแล้วเนี่ยให้กระตือรือ้นกันกหน่อยมีพ่อมีแม่มีพ่อมแม่ก็มีลูกมีผัวมีเมียมีพี่มีน้อง ม, ม, มันเป็นประโยชน์ต่อกันไม่ใช่พาต่อผู้ค น, นต่อทุกสิงทุกอย่างในโลกนั่นเหมือนกับเราตรวจน้ําตรวจน้ําตอนทำวัด เช่าเสดนะอุทิตส่วมุสลคุณยาจิตตานิจากัจกจะญ า, าณายตานิเมอุทิตไปผู้มีคนเช่นบรรดาบิดาเป็นโต้ว่าไปว่าไปสัพพสิ่งทั้งหลายมีขันหน้าขันไม่ขันนัดเดี๋ยวไม่ขันจีขันลำดังท่องเที่ยวไหนวกเรนอกอดใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีเมตตินไม่ชาบี ทุกสภาพจมีภูม um yeah. ิท i̇şte ั้งสามกำเนิดทั้งสี่ลูกจะไหมภูมิทั้งสามกำเนิดทั้งสี่ภูมิทั้งสามมีกําเนิดทั้งสี่มีกําเนิดทั้งสี่มีมะแรงเม็ดดินเม็ดหินไปหมดกำเนิดทั้งสี่ก็เชลาภูชะเราว่าได้ไหมเชลาภูชาสังเถทตชะ คนท่านจะโอปอติกะเรียนหนูอธิบายต้องรู้นะไปเรียนแม่ไปจีบันอยู่ก็งงงงจรจิตมีพระพุทธเจ้าขเขียนไว้แล้วกำหนดทั้งสี่รวมทั้งสามก็คือก ร, รมมภูมิรูปภูมิอรูปภพกรรมภพรูปภพอรูปภูมิมมทั้งสามกำหนดตั้งสีก่ก็เกิดในเจลาะเกิดในเท่าไข เทาใครกันเลยเยอะแยะเลยอะไรที่มีใครมีแผ่นดินมีหนองไม่นาไม่สมบุกเป็นหนอนเป็นใช่เดือนเลยหุ <c oughs> ดเลยมีกำเนิดทั้งใสไม่ขันนะําลังเท่าไรวะแผ่ไม่ตาบะเม็ดดินเม็ถินไปหมดเลยนะอันอยู่ด้วยกันได้แท้ทําไมไมาโกรธมาเกลียดกันอิจฉาไปบ่ากันทําไมน่าเสียดายไหนโล่งนี่จะหลงทําไมไม่หลงก็ได้ ในชีวิตเราจะทุกข์ทำไมไม่ทุกข์ก็ได้เมื่อโดยโยบอุิฐานขัดทั้งห้าเป็นตัวทุกข์มีเท่านี้รูปอุปทานในความรูปเวทนาสัญญาสังขารบิ ญ, ญาณอุปทานยึดตัวเนี้ว่าเป็นตัวเป็นตน ว, วางท่าลงมันก็ไม่มีอะไรอยากร่อนก็เป็นเย็นจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสามหาทิฏฐิกันทีไร นี่พวกเราอยู่นี่สอนกันอย่างนี้ศึกษาอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาทําที่แบบเปิดมาศึกษาเรื่งนี้โดยโตรงนะาการศึกษาเรื่อนี้ก็ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเกี่ยวกับอันอื่นอีกเยอะแยะเลยเราอยู่นี่ว่าจะสารเรืนี้เอ้าอะไรก็มีอีกเยอะแยะปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาหนอ ย, ย่า จากสิเมตลองจากอะไรต่างๆมากมายศาสนาวัตถุสาะสาะพิธีสาชะบุคคลสัจธรรมนี่สัจธรรมคือเกินปฏิบัติโดยตรงสาชนรพิธีคือพิธีกรรมต่างๆญาจโยมก็ทำบนทำดานญาตมกันนีมนไปน่นไปนี้ มันก็มีสังขารชัดิธีเกิดขึ้นตายก็เจ็บกับพระคนเกิดก็เจ็บกับพระคนเจ็บก็เจ็บกับพระอาชาปิธีไปอาชลมประตูก็มีปฏิสลาชุดโสมท้งซ่อมท้อ ง, ง, งเสรอมถ้าไม่ซ่มไม่เสริมก็ผิดพระเจ้าบอกบอกเอาไว้สอนเอาไว้ตระกูลที่อยู่มั่นคงได้เพราะเหตุ สี่สถานตะกูนที่มันคงอยู่ได้เพราะเหตุสี่สถานหนึ่งว่ายัางไงไม่คีรูจักซ่อมแถมพัจจุต่ค้ำค้าสองสแสวงหาพัจจุตที่หายไปแล้วคืนมาสามแสวงหาพัจจุตที่ยังไม่มีให้มีขึ้นสี ปุรุะตีผู้เป็นผู้บ้านแม่เลือนต้องเป็นคนมีศีลสอย่างนี่เจริญไม่เสื่อมตรงกันข้ามก็ความเสื่อมอะไรไม่ซ่อมแซมปัจจุบที่ข้ามค่าปล่อยให้สังขารั่วปล่อยให้บันไดผุฝังเดี๋ยวก็ตกไปข้าดไม่เฉี่ยงานปัจุบที่หายไปให้เกิมามันก็หายไปหมดไปหมดไปม พัตเตียงไม่มีเขาไม่มีอยู่เลยไปจนเลื่อยไปจนแลวไปต้องหามากินเป็นต้องพยายามทำงานแต่ไมายเป็นเด็กอะ่ะกินข้าวิ่มแล้วแฉบว่บอกละแฉบแฉบแล้ขี้ข้านเออไปเลี้ยงคว้วยไปเลี้ยงวัวกันแฉบแล้ขีข้ข้านคำพูดที่พ่อแม่ขี้เลยขยัน พระเจ้าสอนไงเราจึงมีการตร่อสาร ธ, ธัตถุตาสาบุคคลเกี่ยวกับคนคนหนึ่งก็เจาวันหนึ่งคนหนึเจาวันหนคนหนึ่งเจ้าวันหนึ่ ง, งที่มาที่นี่บางทีก็มาถามมาดูหมอมาให้ผูกเสกเอาอะไรมาไปเกลื่อนล้าก็มาทำลายให้หลงตาให้ก็ต้องทำํำ <laughs> มาให้เราให้เ ร, เรามาอบกลหงลานให้อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นมงกอนมาดูหมอสาธุบุคคล น, นะเห็นว่าเราเป็นพระอาจะขอดูหมอดูไม่เป็นท่านบวดมาเจีวปัญหาบวดมาแล้วสิบกว่าพัารสาบวดมา10บปัญาดูหมอไม่เปลนเหรอ <c oughs> ก็ไม่ให้ค่าอะไรไปอันนี้ไปอย่างไ้อะไรบอน เอากัรที่เป็นพระเป็นสงฆ์ดูหมอผูกเสกใช่เราแบบนั้นให้เราไปสวดตอนสวดนี้เดี๋ยวนี้ญาติโยมใช่เราเราไม่ใช่เป็นผู้นําของญาติโยมสมัยทุกวันแน่นะเราจึงไม่เชี่ยวกับคนนะค่อยที่จะทําให้ถูกใจคนเท่าไหร่คนก็เลยมาค่อยชอบเท่ถ้ามาดูหมอหรอรวยบอกเลขบอกหวยก็รวยนะนี่เราไม่บอกถ้าของหมอถาม ก็บอกบอกเอาไหมล่ะเอาาเอาเ อ, าอย่าเล่นแม่ต้องเสื้อหอยเขาก็ไม่เอาแล้ย <c oughs> ก็บอกเหมือนกันใช่ไหมว่าอย่าเล่นอย่าเส้นหวยเขากา็บอกถึงนะอยากได้บัวไหอยจากได้อยากได้ใชบอกเอาไหมะกกนะอย่าโกรธนะอย่าโลภอย่าหลงนะถ้าไม่โกรธไม่โลภไม่หลงก็เป็นบุนนะ จะหยุดกวดได้ไหมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เนี่ยบอกบุญแต่แท่ไม่เอาถ้าบุญปักพิธีเอาอยู่บอกไม่โกรธไม่หลงไม่เคยออาหรอกแต่ใครจะทำละบุญตัตวไ่ะเอาให้ได้ไั้ยต้องทำไปสองตายะถาสีมานี่สิบปีแล้วคนยังทะเลาะกันอยู่ ขอบริวารโบลาณวงน้ำที่เต็มย่อมจะสมดจ้าครให้บริบนรณ์ว้าอย่างนี้ถเรามาเปลี่ยนอะไรมันหลงรูปครับมันโกธรูปมันทุกรูปรับเนี่ยตัวเนี้ยทําบุญทาบุญแล้วทำบุญในชาติถาคือทําบุญตรงนี้ที่กาที่ใจทําบุญนอกชาติไปเาดีอื่นอจตตาธรรมภัธาธรรมภัธาธรรมทาดีภายนอก ด, ดอกไม้ทุกเทียนสวยงามแต่ใจตัวงมันก็จัดไม่เป็นระเบียบเลยเส้นกว้างาอยู่วุ่นวายส่ออัจฉริยธรรมคือทำภายในวิชาธรรมคือทำภายนอกไปจัดภายนอกอัจฉริาธรรมจัดตัวเองให้ ง, งามใจ ง, งามายงามไม่เฉินไม่ทำเลย